โจรินดากับโจรินเดลครั้งหนึ่งเคยมีปราสาทเก่าที่อยู่ในป่าลึกทึบสยองที่นั่นมีนางฟ้าแก่นางหนึ่ง <c oughs> นางสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นางเคยบินไปทั่วในร่างลกคู่หรือเดินย่างเยื้องเหมือนกับแมวแต่ตอนกลางคืนนางจะกลับร่างหญิงแก่เสมอ โอ้ฉันอยากจะกําจัดผมงอกบเริวเ้วรอยมากเลยแต่นางทำไม่ได้นางเป็นหญิงแก่หน้าบึ้งที่คล้องปราศาสเสมอเ <c oughs> มื่อมีชายหนุ่มเข้าไปในระยะ109เ้าของปราศาส์ <c oughs> เขาจะตัวแข็ง <c oughs> ขยับตัวไม่ได้ <c oughs> จนกระทั่งนางปล่อยตัวเขาไป <c oughs> โอ้นางฟักแกปล่อยทันนะปล่อยฉันเถอะ อย่าเรียกฉันว่าแกถ้าเจ้าสัญญาว่าจะไม่กลับมาอีกฉันจะปล่อยไปข้าขอโทษข้าสัญญาว่าจะไม่มาอีกแต่ถ้ามีหญิงสาวเข้าไปใกล้วงังนางก็จะเปลี่ยนเป็นนกและนางฟ้าจะขังนกพวกนั้นไว้ในกลงที่ปราสาทมีกลงถึง700ดรองทั้งหมดจะมีนกสวยๆอยู่ข้างในอ่าคอลเลกชันนกแสนสวยของฉัน มันวิเศษเลิศจริงๆมีสาวโสดคนหนึ่งชื่อโจรินดาโจรินเดลหนุ่มเลี้ยงแก่รักนางมากไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกัน อ, อป่านี้สวยงามมากสงบมากเลยใช่เลยที่รักแต่ว่าเราจะต้องระวังนะอย่าเข้าไปใกล้ปราสาทมากเกินไป <c oughs> ถ้ากลัวนางฟ้าแกแ่เลรโจรินดาวิ่งเข้าป่าหยอกล้อ ก, กับโจรินเดล พวกเขาไปถึงเนินเขาวันนั้นเป็นเย็นที่สวยงามแสงของพระอาทิตย์ตกซองผ่านลงมาผ่านต้นไม้สูงลงมาที่พื้นป่าสีเขียวและมีนกร้องเพลงจากกิ่งไม้สูงท่านนี้ไม่ใช่สวรรค์แล้วมันจะคืออะไรกันโจรินดานั่งพักหายใจโจรินเดลนั่งข้างๆกันทั้งคู่รู้สึกเศร้าโจรินเดลฉันรู้สึกแปลกแปลก ฉันด้วยฉันรู้สึกเหมือนกับว่าจะเสียเธอไปกลับบ้านกันพวกเขาตามหาทางจะกลับบ้านแต่พวกเขาหลงทางจนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนโอที่รักเราหลงทางแล้วพระอาทิตย์ตกอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นโจรินเดลมองไปด้านหลังและเห็นว่าพวกเขาไปนั่งใกล้กับกำแพงปราสาทเก่า พวกเขาหน้าซีดและกลัวมากอาจอรินดากําลังร้องเพลงนกเสียงจรินดาของฉันนี่นกพีเาบร้องเพลงจากกิ่งไม้วันนี้วันดีๆเขาอะไรชะตาของคนรักของเขาวันนี้วันอะไรอยู่ดีๆเพลงของเธอก็หยุดจอรินเดลมองเธอและเห็นว่าเธอเปลี่ยนเป็นนกในติ่งเกลียวมีนกคูกที่ตาเป็นเปลวไฟบินรอบพวกเขา และทั้งสามก็รอโอ๋โ อ, อจรินดาไม่นะที่รักฉันจะช่วยเธอจรินเดียรขยับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับฉันและโจรินดาของฉันไม่มีทางเอาจากความลำบากนี่เลยตอนนี้พระอาทิตย์ตกหมดแล้วคำคืนแสนน่ากลัวมาถึงนกพู๊บบินเข้าพุ่มไม้ ไม่นานหลังจากนั้นนางฟ้าแก่ก็เดินออกมาและมองจ้องเขาอ๋าอนี่นเยติงเกลของคอลเลคชันฉันเธอพูดกับตัวเองเธอจับนายติงเกลและพากลับบ้านไปโจเินเดีวเห็นว่านกนั่นหายไปแล้วหลังจากนั้นนางฟ้ากลับมาและร้องเพลงด้วยเสียงอันน่ากลัว จนกว่านักโทษจะโดนกำจัดเธอจะโดนสาบโน่นานง่ายอยู่สิอยู่เมื่อคนรูปงามอยู่ใกล้เธอและมนตร์เริงเธอไว้ก็อนีไปอยู่ดิดโจีินเดียวก็เป็นอิสระหลังจากนั้นเขาคุกเข่าต่อหน้านางฟ้าและขอให้นางปล่อยคนรักของเขาโอ้ขอบคุณนะท่านนางฟ้าแกตอนนี้ ได้โปรดปล่อยจรินดาของข้าน้อยเธอไม่มีทางเจ้าไม่มีทางเห็นนามอีกแต่ข้าไม่มีทางอยู่ได้โดยไม่มีนะได้โปรดข้าขอละแต่นางไม่ฟังคำขอของจรินเดวนางหัวเราะใส่เขาและบินหนีไปเขาขอร้องไหอ้อนวอนแต่ทุกอย่างไร้ประโยชน์ขาจะทำยังไง ถ้ากลับบ้านไม่ได้ถ้าไม่มีโจรินดาที่รักที่รักของข้าเพราะเขากลับบ้านไม่ได้เขาก็เลยไปที่หมู่บ้านแปลกและทำงานเลี้ยงแกะหลายครั้งเขาจะเดินรอบวังใกล้ๆ ก, กับปราสาทที่เขาเกลียดด้วยความกล้าแต่ทุกอย่างสิ้นหวังเขาไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับโจรินดาเลยข้าสิ้นหวังแล้ว คืนหนึ่งเขาฝันว่าเจอดอกไม้สีม่วงสวยงามตรงกลางของมันมีไข่มุกแสนสวยเขาฝันว่าเขาเด็ดดอกไม้นั่นเอาเข้าวางไปและทุกอย่างที่เขาเอาดอกไม้ไปสัมผัสก็จะฟูคลายหมดและที่นั่นเขาจะเจอโจอรินดาอีกครั้งและนางฟ้าแก่นั่นก็กลัวไข่มุกมากตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมา เขามีความหวังนี่จะต้องมีความหมายอะไรแน่ๆไม่แน่เราอาจจะเจอโจรินดาของเราเขาเลยเริ่มเดินทางตามหาทั่วเนินเขาหาดอกไม้สีม่วงทั้งวันผ่านไปทุกอย่างไม่คืบหน้าแต่ตอนกลางคืนเขาก็เจอดอกไม้ม่วงสวยงามและตรงกลางก็มีใจกลางที่ใหญ่เหมือนไข่มุกสวยงามมีค่านี่ไงเล่าเจ้าต้องช่วยข้าตามหาโจรินดาของข้า จากนั้นเขาเด็ดดอกไม้เดินทางทั้งวันทั้งคืนเขาไปที่ปราสาทหลังจากนั้นก็เดินเข้าระยะของปราสาทแต่คราวนี้เขาไม่ตัวแข็งเหมือนที่เคยเป็นแต่เขาก็พบว่าเข้าใกล้ประตูได้แล้วจรินเดียวดีใจมากที่เห็นแบบนั้นดอกไม้นี่วิเศษแน่เลยจรินดาฉันจะไปหาเธอจากนั้นเขาสัง่งกับม้กับประตูมันก็เลยเปิดออก เขาเข้าไปในวังและได้ยินเสียงนกมากมายร้องเพลงจอรินดาต้องอยู่ในนั้นแน่เขาเดินเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เข้าไปที่ห้องที่นางฟ้านั่งอยู่พร้อมกับนก700รตัวในกรง700รกรงโอ้นกในตึงแก้วเยอะมากเลยเมื่อนางฟ้าเห็นจอรินเดียวนางกโกรธมาก <c oughs> และกรีดด้วยความโกรธ <c oughs> กล้าดียังไงเข้าวางังฉันมาน่ะ ฉันบอกแล้วว่าอย่ากลับมาเจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตนางวิ่งเข้าโจมตีเขาแต่นางเข้าใกล้ตัวเขาไม่ได้เลยในระยะสองหลาเพราะดอกไม้ในมือเขาเป็นสิ่งที่ปกป้องเขาไวจากนั้นเขามองไปทั่วตามหานกแต่มีนายตึงเกวมากเกินไปอ๋อไหนคือโจรินดา ข, ของเราตอนเขากำลังคิดแผนเขาก็เห็นนางฟ้าหยิบกรงหนึ่งลงมาและพยายามที่จะลบ ก, กลับไป นั่นไงใช่แล้วเขาเรีบวิ่งไล่เอาดอกไม้สัมผัสกรงและโจรินดาก็ปรากฏตัวต่อหน้าโจรินดารีบเข้ากอดโจรินเดียวทันทีไม่นะจากนั้นเขาก็แตกกรงทุกรงด้วยดอกไม้และทุกคนก็กลับเป็นเหมือนเดิมโอ้ยเยยเยยอ้เฮ้ใช่ขอบคุณนะคะว้ไม่ไม่ ไปคอลเลกชันนกของฉันไม่นะจากนั้นจอรินเดลสะบัดหยดน้ําจากดอกไม้ใส่นางฟ้าแก่พวกเขาทึ่งที่น้ําก็เปลี่ยนเป็นนกในติ่งเกลยวจอรินเดลรีบจับในติ่งเกลียวขังไว้ในกรงมันจบแล้วนางฟ้ามาจอรินดาที่รักกลับบ้านกันเถอะเขาพาจอรินดากลับบ้านพวกเขาแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันยังมีความสุข และเช่นเดียวกับผู้ชายคนอื่นที่แฟนของพวกเขาถูกบังคับร้องเพลงอยู่ในกรงของนางฟ้าแก่